ต้องไล่มาตั้งแต่แรกก่อนอันนี้เป็นข้อความที่อยู่ในมาสติปฐานสูตรก็อย่างนี้อนาบนานสติก็มีส่วนนี้อยู่ทีนี้ว่าสํานวนการแปลของแต่ละสํานักอาจจะไม่เหมือนกันน ะ, ะก็ใกล้ๆเกียงประมาณนี้ข้ออันดับแรกก่อนอที่พูดถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกใช่ไหมพุทธเจ้าได้พูดเรื่องนี้ไว้สั้นายาวอะไรพวกนี้นะ ะ, ะแล้วก็มาบอกว่าอย่างเนี้ยคือการตามเห็นกายในกาย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 ทุกคนที่นั่งสมาธิคุณมีประสบการณ์นี้หรือเปล่าคุณยมติ๋วเองก็แล้วแต่คิดนู่นคิดนี่มีอาการปวดมีแน่นอนทุกคนมีนะยิ่งคนที่ฝึกใหม่ๆหรือฝึกมานานแล้วนี่ก็จะเป็นดังนั้นอีกถ้าฝึกฝึกไปเนี่ยคุณจะพบว่าเอ๊ะเรานั่งนั่งไปนี่นะบางทีเรารู้สึกปวดแต่มันปวดไม่ถึงใจเราปวดไม่จีด๊ดจนเราต้องเลิกนะแล้วบางทีเนี่ยเราสามารถที่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 แต่ว่าเรื่องอื่นเรายังปลายบางไม่ได้ก็ยังมีอวิชชาอยู่ลักษณะนี้นะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้<อ>มีความรู้ขึ้นเป็นเรื่องๆไปค่ะกรับเรียนถามท่านนิดหนึ่งว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรกับที่บางทีก็เกิดคําถามว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยนั่งสมาธิได้ได้แต่ความสงบหรือเปล่าวิเวอืมเฉยๆแต่ว่าไม่เห็นธรรมอย่างที่ว่าที่ว่าเห็นเกิดเห็นดับนี่คือเห็นธรรมถูกไม้มคะใช่ใช่